น่าอะไรเป็นตัวรับรองวันนี้ผิดแต่พรุ่งนี้ดันถูกไปอีกแล้ววันนี้บอกว่าถูกพรุ่งนี้บอกใช้ไม่ได้พลาดหมดเลยเนี่ยนะมันก็ผิดกับถูกมันก็อยู่ใกล้กันใ น, นี้มาตรฐานแห่งความผิดถูกผิดชอบชั่วดีถูกต้องอยู่ที่ไหนถ้าพระพุทธเจ้านี่บอกได้เลยตัวในครั้งนะั้นสัมมตตนิยตาธรรมามิจฉัตตนิยตาธรรมาอะไรก็ตามที่มันจบลงที่มิจฉัตานิยตาธรรมามันผิดหมดแหละ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 ไม่ให้ตกไม่ให้ไหลไปในสังสารทุกข์นั่นแหละคือธรรมะแปลว่าส่งไว้ปัน้นนั่นคือพระธรรมที่พระองค์ตรัสรูพ้พยายามที่จะบอกสแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยนนเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์เหล่านั้นนั่นเองเนี่ยนะแต่ถ้าตรงกันข้ามละ่ะถ้าไม่รักษาเอาไว้ก็เป็นอธรรมธรรมและอะธรรมจะมีผลเสมอกันก็หาไม่นเนี่ยนะธรรมอะธรรมย่อมนําไปสู่นรกธรรมย่อมนําไปสู่ สุขติเนี่ยนะมันก็ผลก็ต่างกันอยู่แล้วปัความผิดชอบชั่วดีผิดหรือถูกพระองค์เอาอนาคตเป็นตัวประมาณถ้าสิ่งใดเป็นไปเพื่อข้ามพ้นโสชาต ช, ชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทโมนัตและอุปายาสนั่นถูกต้องถ้าสิ่งใดถ้านำไปสู่ชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาสผิดพลาดแน่นอนอ น, นะ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 ปัจจุบันและจกไม่ให้ผลต่อไปในอนาคตกรรมที่ทําในปัจจุบันชาติไม่สามารถให้ผลนําเกิดต่อไปกรรมที่หลังจากที่อรหัตตมรรคเกิดแล้วกลายเป็นกิริยาไร้สภาพสิ้นเชิงแปล ว, ว่าไม่เป็นกรรมมะปัจจัยที่จะให้ผลต่อไปในอนาคตจะไม่ใช่นานัขคขะนี่กักรรมมะปัจจัยมันอริยมรรคจึงเป็นตัวทําลายกรรมเป็นตัวถอนกระแสกรรมเพราะถอนรากที่กรรมจะให้ผลได้อย่าง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 สังสารวัตทั้งหลายเนี่ยนะจนพระองค์บอกได้เลยว่าอะไรเป็นอนุโสตะคามีอะไรเป็นปฏิโสตะคามีอะไรเป็นสิ่งที่เป็นไปตามกระแสวัฏะอะไรที่เป็นการทวนกระแสของวัตะอะไรเป็นข้ามพ้นจากวัฏะได้เสร็จสิ้นแล้วเพราะพระองค์เป็นผู้มีดวงตาพ่าะเราอ่านในมหาปรินิพานสูตรจะใช้คำว่าพระผู้มีจักสุในโลกปรินิพานเร็วนัก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 หรือว่าเข้าใจมากเข้าใจน้อยเข้าใจมากกว่าวันนี้อีกสิบเท่าหรือว่าอีกสิปีข้างหน้าจะเข้าใจมากกว่านี้อีกร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าหรือศรัทธาวันนี้เป็นปริตะบางครั้งเป็นญาณวิปปยุทธต์ต่อไปจะให้มันเป็นยาณสัมปยุทธ์ให้หมดเลยแล้วเพิ่มจากปริมาณสัมปยุทธ์ที่มันเกิดห่างๆให้มันเกิดทีๆขึ้นไอ้ที่ทีๆคุณภาพน้อยให้มันเพิ่มคุณภาพมากยิ่งขึ้นจนมันเป็นมหคตะเป็นอัปปามานะให้ได้นะ ถ้าว่าเพิ่มให้มันได้ขนาดนั้นก็แปลว่าวิเศษภากยะเจริญอย่างเดียวถ้าตรงกันข้ามล่ะนะอุ้ยพระตัยวิดกอ่านมาแรกตื่นเต้นหน้าดูในวันที่สองในแหมชักวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าอะไรนะหนักๆเข้าก็อุ้ยอ่านหมดแล้วนะรู้หมดแล้วเหมือนกันนะรับจริงๆนะบางทีเนี่ยอกุศเวลาอกุศลมันเกิดเนี่ยนะอุ้ยเล่มนั้นก็รู้แล้วว่าไงเล่มนั้นก็รู้แล้ววันนี้เล่มนี้ก็รู้แล้วอุ้ยไม่รู้จะอ่านอะไรที่ไหนได้นั่นน่ะอวิชชาทางนั้นแหละทําท่าเหมือนรู้ไปงั้นแหละ ดั น, นบางทีเนี่ยเราต้องเพิ่มนะพยายามเพิ่มว่ากุศลธรรมเนี่ยเพิ่มเจริญแล้วก็งอกงามขึ้นไหมอย่างไรเมื่ อ, อไรพยายามทบทวนให้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเพราะว่าถ้ากุศลธรรมไม่เจริญแปลว่าอากุศลมันเจริญแล้วมันมีอยู่สองอย่างเนี่ยถ้ากุศลไม่เจริญอกุศลมันก็เจริญแล้วล่ะมันมีกับดํากับขาวเนี่ยนะถ้าดําเจริญแปลว่าอะไรนะถ้าสว่างมากแปลว่ามืดน้อยถ้ามันมืดน้อยแปลว่าสว่างมาก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 เขาวัดกันที่กำลังบัดว่ามันมีกี่โวลต์ใช่ไหมไฟมีกี่โวลต์เขาวัดกันตามตรงนั้นแตบบ่ยสุสมัยใหม่เขาวัดได้หมดแล้ว